ติโรกุตสูตรว่าด้วยการให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นคาถาว่าฝูงเปรตพากันมายังเรือนของตนยือนอยู่ที่นอกฝาเรือนบ้างยือนอยู่ที่ทางสีแพร่งสามแพร่งบ้างยืนอยู่ใกล้บานประตูบ้าง เมื่อข้าวน้ำของเขี้ยวของกินเขาวางไว้เป็นอันมากญาติร่ไร่ของเปรตเหล่านั้นก็ระลึกไม่ได้เพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยชนเหล่าใดเป็นผู้เอ็นดูชนเหล่านั้นยอมให้น้ำข้าวอันสะอาดปราณีตอันสมควรตามการอุทิศเพื่อญาติทั้งหลายอย่างนี้ว่าขอทานนี่แลจงมีแก่ญาติทั้งหลาย ขอญาตทั้งหลายจงมีสุขเถิดส่วนฝูงเปรตที่เป็นญาตเหล่านั้นมาแล้วพร้อมแล้วก็ชุมนุมกันในที่ให้ทานนั้นย่อมอนุโมทนาโดยเคารพในข้าวน้ำเป็นอันมากว่าเราได้สมบัติเพราะเหตุแห่งญาตเหล่านั้นขอญาตเหล่านั้นของเราจงมีชีวิตยั่งยืน ทั้งการบูชาญาติผู้เป็นทายกก็ได้กระทาแก่พวกเราแล้วอนหนึ่งทายกทั้งหลายย่อมไม่ไร้ผลในปิติวิสัยคือเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมการทำไร่การทำนาไม่มีโครักขะกรรมการเลี้ยงโคในปิติวิสัยหรือเปรตวิสัยนั้น การค้าขายการค้าเช่นนั้นการซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มีผู้ทากาลากิริยาละไปแล้วย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในปิติวิสัยนั้นด้วยทานที่ญาติให้แล้วจากมนุษย์โลกนี้น้ำตกลงบนที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ทายกให้ไปจากมนุษย์โลกนี้ ย่อมสำเร็จผลแก่ฝูงเปรตฉันนั้นเหมือนกันพ่วงน้ำเต็มแล้วย่อมอยังสาครให้เต็มฉันใดทานที่ทายกให้ไปจากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแก่ฝูงเปรตฉันนั้นเหมือนกันบุคคลเมื่อระลึกถึงกิจที่ท่านทำมาแต่ก่อนว่าท่านได้ทำกิจแก่เราได้ให้แก่เราได้เป็นญาติมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ จึงควรให้ทักษิณาแก่ฝูงเปรตการร้องไห้การเศร้าโศกหรือการพิไรรำพันอย่างอื่นๆก็ไม่ควรทำเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ล่งลับไปแล้วญาติทั้งหลายก็คงอยู่อย่างนั้นทักษินานี้แหลอันทายกให้แล้วตั้งไวดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสาเร็จประโยชน์แก่ทายกนั้น โดยฐานะตลอดกาลนานยาติธรรมนี้นั้นก็ทรงแสดงแล้วการบูชาผู้ลลวงลับไปแล้วก็ทรงทำโอฬาแล้วทั้งกำลังของภิกษุทั้งหลายก็ทรงเพิ่มให้แล้วบุญพระองค์ก็ทรงขวนขวายไว้ไม่ใช่น้อยจบติโรกุทธสูตร อธิคถาติโรขุทธสูตรประโยชน์แห่งการตั้งพระสูตรบัดนี้ถึงลำดับการพันณนาความติโรขุทธสูตรที่ยกขึ้นตั้งต่อลำดับพระตนสูตรโดยในยะว่าติโรขเทสุติดทันติเป็นต้นจะกล่าวประโยชน์แห่งการตั้งติโรขุทธสูตรนั้นไว้ในที่นี้แล้วจึงจะทําการพันณนาความ ในข้อนั้นความจริงติโรกุธสูตรนี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ได้ตรัสตามลำดับนี้แต่ก็ทรงแสดงการปฏิบัติกุศลก ร, รรมนี้ไว้โดยประการต่างๆไว้ก่อนพระสูตรนี้เพราะเหตุที่บุคคลประมาทในการปฏิบัติกุศลกรรมนั้นอยู่เมื่อเกิดในฐานะที่แม้เศร้าหมองกว่านรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็ย่อมเกิดในจำพวกเปรตเห็นปานนั้น ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสรัตนสูตรเพื่อแสดงว่าบุคคลไม่ควรทำความประมาทในการปฏิบัติกุศ ล, ลกรรมนั้นและเพื่อระ ง, งับอุปัตถวแห่งกรุงเวสาลีที่พวกหมู่พูดเหล่าใดเบียดเบียนแล้วหรือตรัสเพื่อแสดงว่าในหมู่พูดเหล่านั้นมีหมู่พูดบางพวกมีรูปเห็นป่านนั้นพึงทราบประโยชน์ แห่งการตั้งติโรกุธสูตรนี้ในที่นี้กถาอนุโมทนาแต่เพราะเหตุที่ติโรกุธสูตรผู้ใดประกาศประกาศที่ใดประกาศเมื่อใดและประกาศเพราะเหตุใดการพนานาความของติโรกุธสูตรนั้นครั้นประกาศติโรกุธสูตรนั้นหมดแล้วเมื่อทำตามลำดับ ชื่อว่าทำดีแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าก็จะทำการพรนานาความนั้นอย่างนั้นเหมือนกันแลข้อว่ากติโรกุตสูตรนี้ใครประกาศประกาศที่ไหนประกาศเมื่อไรขอชี้แจงดังนี้ติโรกุตสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศกติโรกุตสูตรนั่นล่ะ ทรงประกาศเพื่อทรงอนุโมทนาแก่พระเจ้ามคัทรัตในวันรุ่งขึ้นเพื่อทำความข้อนี้ให้แจมแจ้งควรกล่าวเรื่องไว้พิสดารในข้อนี้ดังนี้ในกับที่92สองนับแต่กับนี้มีนครชื่อกาสีในนครนั้นมีพระราชาพระนามวาชัยเสร พระเทวีของพระราชนั้นพระนามว่าสิริมาพระโพธิสัตว์พระนามว่าปุตสะเกิดในคันของพระนางตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณตามลาดับพระราชาชัยเสนทรงเกิดความรู้สึกถึงความเป็นของพระองค์ว่าโอรสของเราออกทรงผนวดเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นของเราพระธรรมก็ของเรา พระสงค์ก็ของเราส่งอุปถากด้วยพระองค์เองตลอดทุกเวลาไม่ยอมประทานโอกาสแก่คนอื่นๆเจ้าพี่เจ้าน้องของพระผู้มิพระภาคเจ้าต่างประมาณดาสามพระองค์พากันดําริว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเสด็จอุบัตเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งปวงมิใช่เพื่อประโยชน์แก่บุคคลคนเดียวเท่านั้นแต่พระบิดาของเรา ไม่ส่งประทานโอกาสแก่เราและคนอื่นๆเลยเราจะได้การอุปถากอย่างไรหนาพระราชโอรสเหล่านั้นจึงตกลงพระหฤทัยว่าจำเราจะต้องทำอุบายบางอย่างทั้งสามพระองค์จึงทำให้หัวเมืองชายแดนทำระหนึ่งแข็งเมืองต่อ น, นั้นพระราชาทรงทราบข่าวว่าหัวเมืองชายแดนกบฏจึงส่งส่งพระราชโอรสทั้งสามพระองค์ ออกไปปราบกบฏพระราชโอรสเหล่านั้นปราบกบฏเสร็จแล้วก็เสด็จกลับมาพระราชาทรงดีพระราชหาฤทัยพระราชทานพรว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดก็จงรับสิ่งนั้นพระราชโอรสทั้งสามพระองค์กราบทูลว่าข้าพระบาทปรารถนาจะอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าเว้นพรข้อนั้นซะ รับพอรอย่างอื่นไปเถอะพระราชโอรสกราบทูลว่าพวกข้าพระบาทไม่ปรารถนาพอรอย่างอื่นหรอกพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงกำหนดเวลามาแล้วรับไปพระราชโอรสทูลขอเจ็ดปีพระราชชาไม่พระราชาทานพระราชโอรสจึงทูลขอลดลงอย่างนี้คือหกปีห้าปี จนถึงหนึ่งปีเจ็ดเดือนหกเดือนจนถึงไตรามาสคือสามเดือนพระราชาจึงพระราชทานว่ารับได้พระราชาโอรสเหล่านั้นได้รับพระราชทานพอแล้วก็ทรงยินดีอย่างยิ่งเข้าเฝ้าพระภูมีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ประสงค์จะอุปถากภพระพูมีพระภาคเจ้าตลอดไตรมาส ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำพรรษาตลอดไรยมาตรนี้สําหรับข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับโดยอาการดุษณีภาพคือนิ่งต่อนั้นพระราชโอรสทั้งสามพระองค์ก็ทรงหัดทเลขาหลายพระหัตไปแจ้งแก่พนักงานเก็บสวยคือผู้จัดผลประโยชน์ในชนบทของพระองค์ว่า เราจะอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดไร่มาตนี้เจ้าจงจัดเครื่องประกอบการอุปรถากพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ให้พร้อมทุกประการตั้งแต่สร้างพระวิหารเป็นต้นไปเจ้าพนักงานเก็บสวยนั้นจัดการพร้อมทุกอย่างแล้วก็ส่งหนังสือรายงานให้ทรงทราบ พ, พระราชโอรสเหล่านั้นก็ส่งนุ่งห่มผ้ากาสายะส่งอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเคารพ ด้วยบุรุษวั ย, ยาจัก 2,500 คนนำเสด็จสู่ชนบทมอบถวายพระวิหารให้ทรงอยู่จำพรรษาบุตรเข้ารหบุตีผู้หนึ่งเป็นพนักงานที่รักษาเรือนคลังของพระราชโอรสเหล่านั้นพร้อมทั้งพันยาเป็นคนมีศรัทธาประสาทะเขาได้ปฏิบัติการถวายทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยเคารพ เจ้าพนักงานเก็บสวยในชนบทพาบุตรเขาเรือหาบดีนั้นให้ดำเนินการถวายทานโดยเคารพพร้อมด้วยบุรุษชาวชนบทประมาณหนึ่งหนึ่งพันคนบรรดาคนเหล่านั้นชนบางพวกมีจิตถูกอิจสามัเฉริยครอบงำพวกเขาก็พากันทำอันตรายแก่ทานกินทยธรรมด้วยตนเองบ้างให้แก่พวกลูกๆเสียบ้างและเอาไฟเผาโรงอาหาร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 ก็เกิดในสวรรค์พร้อมด้วยบริษัทบริวาเรเหล่าชนที่มีจิตถูกอิจฉามัจฉริยะครอบงำก็พากันไปเกิดในนรกทั้งหลายเมื่อคนสองคณะนั้นจากสวรรค์เข้าถึงสวรรค์จากนรกเข้าถึงนรกด้วยอาการอย่างนี้กับก็ล่วงไปเก้าบสองกับต่อมาในพัทระกับนี้ ครรนพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสาปะชนที่มีจิตถูกอิจสามัชยริยะครอบงําเหล่านั้นก็เกิดเป็นเปรตครั้งนั้นมนุษย์ทั้งหลายถวายทานอุทิศเพื่อประโยชน์แก่พวกเปรตที่เป็นญาติของตนว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของเราเปรตเหล่านั้นก็ได้สมบัติขณะนั้นเปรตแม้พวกนี้เห็นดังนั้น ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์พูดเจริญทำอย่างไรหนอพวกข้าพระองค์จึงจะได้สมบัติบ้างพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบัตดนี้พวกท่านยังไม่ได้หรอกก็แต่ว่าในอนาคตจะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่โคดมในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจะมีพระราชาพระนามวพิมพิสาร เท้าเธอได้เป็นญาติของพวกท่านนับแต่นี้ไปเก้าสิบสองกับเท้าเธอจกถวายทานแด่พระพุทธเจ้าอุทิศส่วนกุศลแก่พวกท่านครั้งนั้นพวกท่านจึงจักได้เขาว่าเมื่อมีพุทธดารัสอย่างนี้แล้วพระพุทธดารัสนนั้นได้ปรากฏแก่เปรตเหล่านั้นประหนึ่งตรัสว่าพวกท่านจักได้ในวันพรุ่งนี้ ต่อมาเมื่อลวงไปพุทธันดอรหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เสด็จอุบัติในโลกพระราชโอรสทั้งสามพระองค์นั้นก็จุดติดจากเทวโลกพร้อมด้วยบุรุษ 2,500 คนเหล่านั้นไปเกิดในสกุลพราหมณ์ทั้งหลายในแควนมคธ ะ, ะหรือมคตบวชเป็นฤาษีโดยลำดับได้เป็นฉดินสามคนนักญาสีสะประเทศ เจ้าพนักงานเก็บสวยในชนบทได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารบุตรเขาา้าฤหัสดีเจ้าพนักงานรักษาเรือนคลังได้เป็นมหาเศรษฐีชื่อวิสาขะปัญญาของเขาได้เป็นทิดาของเศรษฐีชื่อธรรมทินนาบริษัทที่เหลือเกิดเป็นราชบริพานของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราเสด็จอุบัติในโลก ล่วงไปเจ็ดสัปดาห์ก็เสด็จมายังกรุงพาราณสีโดยลำดับประกาศพระธรรมจักรโปรดพระภิกษุปัญจวคีปเป็นต้นไปจนถึงทรงแนะนำะดินสามท่านซึ่งมีบริวารสองันห้0 0้จึงเสด็จไปกรุงราชคฤห์นกรุงราชคฤห์นั้นโปรดพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเสด็จเข้าไปเฝ้าในวันนั้นเองให้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิพ์ พร้อมด้วยปรามและคฤหบดีชามคตสิบเอ็ดหนหุตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนพระเจ้าพิมพิสารเพื่อเสวยพัฒน า, าในวันพรุ่งครั้นวันรุ่งขึ้นอันท้าวสักกะจอมถวยเทพนำเสด็จทรงชมเชยด้วยคถาทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงฝึกแล้วกับเหล่าปุรานชดินผู้ฝึกแล้ว พระผู้หลุดพ้นแล้วกับเหล่าปูราณชดินผู้หลุดพ้นแล้วผู้มีพระชวีวันงามดังแท่งทองสิงขีเสด็จเข้าสู่กรุงราชฤกษ์ดังนี้เสด็จเข้าสู่กรุงราชฤกษ์ท ร, ง ร, รงรับมหาทานในพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารเปบตรเหล่านั้นยืนห้อมล้อมด้วยหวังอยู่ว่าบัดนี้พระราชาจะทรงอุทิศทานแก่พวกเรา ฝายพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแล้วทรงพระดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงประทับอยู่ณที่ไหนหนอทรงพระดำริถึงแต่เรื่องที่ประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นไม่ได้ทรงอุทิศทานนั้นแก่ใครๆเปรตทั้งหลายสิ้นหวังตอนกลางคืนจึงพากันทำเสียงแปลกประหลาดน่าสะเพรงกลัวอย่างเลิกเกินในพระราชนิเวศ พระราชาทรงสลดพระราชาฤทัยหวาดกลัวต่อรุ่งสางจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินเสียงเช่นนี้เหตุอะไรหนอจะมีแก่ข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถวายพระพรมหาบพิษโปรดอย่าทรงกลัวเลยจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอะไรอะไรแก่มหาบพิษหรอกก็แต่ว่า พวกพระญาติเก่าๆของมหาบุพพิธเกิดเป็นเปรตมีอยู่เปรตเหล่านั้นเที่ยวอยู่สิ้นพุทธันดรหนึ่งหวังอยู่ต่อมามหาบุพพิธว่าจากทรงถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและจกทรงอุทิศส่วนกุศลแก่พวกเราเมื่อวันวานมหาบุพพิธไม่ได้ทรงอุทิศส่วนกุศลแก่เปรตพวกนั้นเปรตพวกนั้นสิ้นหวังจึงหากันทําเสียงแปลกประหลาดเช่นนั้น พระเจ้าพิมพิสารกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะบัดนี้เมื่อข้าพระองค์ถวายทานพวกเขาก็ควรได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถวายพระพรมหาบุพพิธพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับนิมนต์สวยพัฒหารเช้าพรุ่งนี้ของข้าพระองค์ด้วยนะพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะอุทิศทานแก่เพตรพวกนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับพระราชาเสด็จเข้าพระราชนิเวศจัดแจงมหาทานแล้วให้กราบทูลเวลาพัตนาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าภายในพระราชนิเวศประทับนั่งเหนือพุทธอาที่เขาจัดไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เปรตพวกนั้นพากันไปยืนที่นอกฟ้าเรือนเป็นต้นด้วยหวังว่าวันนี้พวกเราคงได้อะไรกันบ้าง พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทำโดยอาการที่เปรตพวกนั้นจะปรากฏแก่พระราชาหมดทุกตนพระราชาถวายน้ำทักซิโนทกทรงอุทิศว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของเราทัานใดนั้นเองสระบกครณีดาวรดาษด้วยปทุมก็บังเกิดแก่เปรตพวกนั้นเปรตพวกนั้นก็อาบและดื่มในสระบกครณีนั้น ระงับความกระวนกระวายความลำบากและหิวกระหายได้แล้วมีผิวพันธุ์ดุจทองลำดับนั้นพระราชาถวายข้าวยาคูของเคี้ยวของกินเป็นต้นแล้วทรงอุทิศในทันใดนั้นเองข้าวยาคูของเคี้ยวของกินอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดแก่เปรตพวกนั้นเปรตพวกนั้นก็ผากันบริโภคของทิพย์เหล่านั้น อินทรีเอิบอิมลำดับนั้นพระราชาถวายผ้าและเสนาสนะเป็นต้นทรงอุทิศให้เครื่องอลังการต่างๆมีผ้าทิพยานทิพ ป, ปราาทิพย์เครื่องปูลาดและที่นอนเป็นต้นก็บังเกิดแก่เปรตพวกนั้นสมบัติแม้นั้นของเปรตพวกนั้นปรากฏทุกอย่างโดยประการใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอธิษฐาน ให้พระราชาทรงเห็นโดยประการนั้นพระราชาทรงดีพระทัยยิ่งแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสวยเสร็จแล้วส่งห้ามพัตตาหารแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าติโรกุเทสุติทันติเป็นต้นเพื่อทรงอนุโมทนาแก่พระเจ้ามากตฏรัตด้วยคำมีประมาณเท่านี้ มาติกาหัวข้อนี้ว่าเยนายายาธายาสมาติโรกุตังปกาสิตังปกาสัยตวาตังสัพพังก็เป็นอันจำแนกแล้วทั้งโดยสังเขปทั้งโดยพิสดารบัดนี้จะกล่าวพันนาความแห่งติโรกุธทธสูตรนี้ตามลําดับไปพันนาคาถาที่หนึ่ง จะพ น, นาความในคาถาแรกก่อนส่วนภายนอกแห่งฟ้าทั้งหลายเรียกกันว่าติโรขุทธธะคำว่าติดถันติเป็นคำกล่าวถึงอิริยาบถยืนเพราะห้ามอิริยาบถนั่งเป็นต้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถึงพวกเปรดที่ยืนอยู่ที่ส่วนอื่นของฟ้าเรือนไว้แม้ในที่นี้ว่าติโรขเทสุ ตันติยืนกันอยู่ที่นอกฟ้าเรือนเหมือนที่ท่านกล่าวถึงท่านผู้แสดงฤทธ์ต่างๆซึ่งไปในะส่วนอื่นแห่งกำแพงและส่วนอื่นแห่งภูเขาว่าไปนอกกำแพงนอกภูเขาไม่ติดขัดฉะนั้นในคําว่าสันทีสิงคาตะเกสุจะนั้นทางสี่แพร่งหรือแม้ที่ต่อเรือนที่ต่อฝาและกรอบหน้าต่าง ท่านเรียกว่าสนธิทางสามแพร่งท่านเรียกว่าสิงคาตะกะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทาคำนั้นไว้แห่งเดียวกันเชื่อมกับคำต้นจึงตรัสว่าสันทิสิงคาตะเกสุจักบทว่าทวารพาหาสุติดทันติได้แก่ยืนพิงบานประตูพระนครและประตูเรือน เรือนญาตก่อนก็ดีเรือนของตนที่เคยครอบครองเป็นเจ้าของก็ดีชื่อว่าเรือนของตนในคำว่าอะคันตวานะสะกักกงข์ครังนี้เพราะเหตุที่เปรตพวกนั้นพากันมาโดยสะกะสัญญาเข้าใจว่าเป็นเรือนของตนฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถึงเรือนทั้งสองนั้นว่า อาคันตวานะสักกังขรังมายังเรือนของตนพันนาคถาที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงสแสดงแก่พระราชาถึงเปรตเป็นอันมากที่พากันมาอย่างพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารอันเป็นเรือนญาติแต่ก่อนแม้ตนไม่เคยครอบครองมาแต่ก่อน ด้วยสำคัญว่าเรือนของตนยืนกันอยู่นอกฟ้าที่ทางสีแพร่งและทางสามแพร่งและบานประตูสวยผลแห่งความริษยาและความตรณีบางพวกมีหนวดและผมยาวหน้าดำมีอวัยวะน้อยผูกหย่อนและยานผอมหยาบดำเสมือนต้นตาลถูกไฟป่าไหม้ยืนต้นอยู่ในที่นั้ น, น, น บางพวกมีเรือนร่างถูกเปลวไฟที่ตั้งขึ้นจากท้องลับออกจากปากเพราะความสีกัรแห่งไม้สีไฟคือความระหายแผดเผาอยู่บางพวกไม่ได้รถอื่นนอกจากรถคือความหิวระหายเพราะถึงได้ข้าวน้ำก็ไม่สามารถบริโภคได้ตามต้องการเพราะมีหลอดคอมีขนาดเล็กเท่ารูเข็มและเพราะมีท้องใหญ่ดังภูเขา บางพวกมีเรือนร่างไม่น่าดูหปลกประหลาดและน่าสะพึงกลัวเหลือเกินได้น้ำเลือด น, น้ำหนองไข่ข้อเป็นต้นที่ไหลออกจากแผลหัวฝีที่แตกของกันและกันหรือของสัตว์เหล่าอื่นลิ้มเลียเหมือนน้ำอมฤตจึงตรัสว่าฝูงเปรตพากันมายังเรือนตนยือนอยู่ที่นอกฝาเรือนก็มียือนอยู่ที่ทางสีแพร่งสามแพร่งก็มียืนใกล้บานประตูก็มี เมื่อทรงแสดงความที่กรรมอันเปรตเหล่านั้นทำมาแล้วเป็นกรรมทารุณจึงตรัสคาถาที่สองว่าปะหูเตอณนนะปานามิเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปะหูเตได้แก่ไม่น้อยท่านอธิบายว่ามากจนพอต้องการเอาพอพานเป็นปอปาได้ในประโยคเป็นต้นว่าปะหุสันโตนภาติ ผู้มีมากก็ไม่เลี้ยงดูแต่อาจารย์บางพวกสวดว่าพระหูเตก็มีพระหูเกก็มีป้าถะเหล่านั้นเป็นปาถะที่เขียนด้วยความพลั้งเผลอข้าวด้วยน้ำด้วยชื่อว่าข้าวและน้ำของเคี้ยวด้วยของกินด้วยชื่อว่าของเคี้ยวและของกินพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอาหารสี่อย่าง คือของกินของดื่มของเคี้ยวและของลิ้มด้วยบทนี้บทว่าอุปัตติเตได้แก่เข้าไปตั้งไว้ท่านอธิบายว่าจัดแจงตกแต่งรวบรวมบทว่านะโกจิเตสังสารติสตานังความว่าเมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดในปิติวิสัยคือเปรตวิสัยนั้นใครๆไม่ว่ามารดาหรือบุตร ก็ไม่ระลึกถึงเพราะเหตุไรเพราะกรรมเป็นปัจจัยคือเพราะกรรมคือความตรนีที่ตนทมต่างโดยปฏิเสธการรับและการให้เป็นต้นเป็นปัจจัยเพราะว่ากรรมของสัตว์เหล่านั้นไม่ให้ญาติระลึกถึงพรร น, นาคาถาที่สาม พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงว่าไม่มีญาติไรๆที่พอจะระลึกถึงเพรกกาะกรรมที่มีวิบากเป็นทุกข์เผ็ดร้อนที่สัตว์เหล่านั้นทำไว้เป็นปัจจัยแก่สัตว์ที่เป็นเพริดเหล่านั้นซึ่งเทียวมุ่งหวังต่อญาติทั้งหลายว่าเมื่อข้าวน้ำเป็นต้นแม้ไม่ใช่น้อยที่ญาติเข้าไปตั้งไว้ในสงหน้าที่ญาติทั้งหลายจะพึงให้อะไรอะไรอุทิศพวกเรากันบ้างอย่างนี้ จึงตรัสว่าเมื่อข้าวน้ำของเคี้ยวของกินอันเข้าเข้าไปตั้งไว้เป็นอันมากในสงยญาติไรยๆของสัตว์เหล่านั้นก็ระลึกไม่ได้เพราะกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยเมื่อทรงสรรเสริญทานที่พระราชาถวายอุทิศพวกพระประยุรญาติของพระราชาที่เกิดในปิติวิสัยคือเกิดเป็นเปรตจึงตรัสพระคาถาที่สองว่า เอวังททันติยาตินังเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเอวังเป็นคำอุปมาคำว่าเอวังนั้นสัมพันธ์ความเป็นสองนัยยะคือหนึ่งชนเหล่าใดเป็นผู้เอ็นดูชนเหล่านั้นยอมให้ข้าวน้ำเป็นต้นเพื่อญาติทั้งหลายเมื่อญาติไรๆไร่แม้ระลึกไม่ได้เพราะกรรมของสัตว์เหล่านั้นเป็นปัจจัยอย่างนี้ 2. ถวายพระพรชนเหล่าใดเป็นผู้เอนดูชนเหล่านั้นย่อมให้ข้าวน้ำอันสะอาดประนีตเป็นกับปิยะของควรตามการเพื่อญาติทั้งหลายเหมือนอย่างมหา พ, พิตธถวายทานฉะนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าททันติได้แก่ให้อุทิศมอบให้บทว่าญาตินัง ได้แก่คนที่เกี่ยวเนื่องข้างมารดาและข้างบิดาบทว่าเยได้แก่พวกใดพวกหนึ่งไม่ว่าบุตรธิดาหรือพี่น้องบทว่าโหนติแปลว่าย่อมมีบทว่าอนุ ก, กรรมปรกาได้แก่ผู้ประสงค์ประโยชน์ผู้สแสวงประโยชน์เกื้อกูลบทว่าสุจริงไร้มนทิน ควรชมชื่นใจเป็นธรรมได้มาโดยธรรมบทว่าปณีตังได้แก่สูงสุดประเสริฐสุดบทว่ากาเลนะได้แก่ตามการที่พวกเปรตผู้เป็นญาติมายืนอยู่ภายนอกฝาเรือนเป็นต้นบทว่ากัปปียังได้แก่ควรเหมาะสมควรบริโภคของพระอริยะทั้งหลาย บทว่าปานะโพชนังได้แก่น้ำด้วยข้าวด้วยชื่อว่าน้ำและข้าวในที่นี้ท่านประสงค์เอาทยธรรมทุกอย่างโดยยกน้ำและข้าวขึ้นนำหน้าการพันนาคถาที่สี่สัมพันธ์กับคถาที่สามพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อส่งสรรเสริญน้ำและข้าวที่พระเจ้ามากุรัตน์ท่งถวายเพื่ออนุเคราะห์หมู่พระไปอยู่ระยาที่เป็นเปรตอย่างนี้จึงตรัสว่าชนเหล่าใดเป็นผู้เอนดูชนเหล่านั้นย่อมให้น้ำและข้าวอันสะอาดปราณีตเป็นของควรตามการอย่างนี้เมื่อส่งแสดงประการที่ทานซึ่งให้แล้วเป็นอันให้เพื่อย่าเหล่านั้นอีกจึงตรัสกึ่งต้นแห่งคาถาที่สี่ว่า อีทางโวยาตินังโหตุเป็นต้นพึงสัมพันธ์ความกับกึ่งต้นของคถาที่สามว่าชนเหล่าใดเป็นผู้เอนดูชนเหล่านั้นย่อมให้น้ําและข้าวอย่างนี้ว่าขอทานนี้แลจงมีแก่ญาติทั้งหลายขอญาติทั้งหลายจงประสบสุขเถิดด้วยเหตุนั้นตัวอย่างอาการที่พึงให้เป็นอันทรงธทมแล้วด้วยเอวังสับ ที่มีอัตถว่าอาการในคำนี้ว่าชนเหล่านั้นย่อมให้โดยอาการอย่างนี้ว่าขอทานิิลาจงมีแก่ญาติทั้งหลายไม่ใช่โดยอาการอย่างอื่นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอีทางเป็นบทแสดงตัวอย่างทยรธรรมบทว่าโวเป็นเพียงนิบาตอย่างเดียวไม่ใช่สัตถีวิพัตเหมือนในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่า กัจิปนะโวอนุรุธาสมัคขาสมโมธมานาและเยหิโวอริยาบทว่ายาตินังหโณตุความว่าจงมีแก่ญาติทั้งหลายที่เกิดในปิติวิสัยบทว่าสุขิตาหโณตุยาตะโยความว่าขอพวกญาติที่เข้าถึงปิตาวิสัยเหล่านั้นจงเป็นผู้สวยผลทานนี้มีความสุขเถิด อันนาตอนปลายของคถาที่สี่สัมพันธ์กับตอนต้นของคถาที่ห้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงประการที่ทานอน ญ, ญาตพึงให้แก่ญาตทั้งหลายที่เข้าถึงปิติวิสัยคือเป็นเปรตจึงตรัสว่าขอทานนี่แลจงมีแก่ญาติทั้งหลายขอญาตทั้งหลายจงประสบสุขดังนี้ เพราะเหตุที่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขอทานนี้แลจงมีแก่ญาติทั้งหลายกรรมที่คนหนึ่งทำแล้วยอมไม่ให้ผลแก่อีกคนหนึ่งแต่วัตถุนั้นที่ญาติให้อุทิศอย่างนั้นอย่างเดียวยอมเป็นปัจจัยแก่กุศลกรรมของญาติทั้งหลายฉะนั้นเมื่อทรงแสดงประการที่กุศลกรรมอันให้เกิดผลในทันทีเพราะวัตถุนั้นนั่นแลอีก จึงตรัสกึ่งหลังแห่งคถาที่สี่ว่าเตจะตัดถะและกึ่งต้นแห่งคาถาที่ห้าว่าปะหูเตอันนปานมหิกึ่งต้นและกึ่งหลังแห่งคถาเหล่านั้นมีความว่าท่านอธิบายไว้ว่าเปรตที่เป็นญาติเหล่านั้นมาโดยรอบมาร่วมกันประชุมอยู่ในที่แห่งเดียวกันในที่ที่ญาติให้ทานนั้นท่านอธิบายไว้ว่า เปรตเหล่านั้นมาโดยชอบมาร่วมกันมาพร้อมกันเพื่อความต้องการอย่างนี้ว่าญาติทั้งหลายของเราจะอุทิศทานนี้เพื่อประโยชน์แก่เราทั้งหลายบทว่าปะหูเตอณปานมหิความว่าในข้าวน้ำที่ญาติให้อุทิศเพื่อตนมีมากนั้นบทว่าส ก, กัดจังอนุโมเทเร ความว่าเปรตเหล่านั้นเชื่อมั่นผลกรรมไม่ละความยำเกรงมีจิตไม่กวัดแกงย่อมยินดีอนุโมทนาเกิดปิติปราโมท ว, ว่าฐานนี้จงมีผลเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่เราทั้งหลายพันนาตอนปลายของคาถาที่ห้าสัมพันธ์กับตอนต้นของคาถาที่หก พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงประการที่กุศ ล, ลกรรมให้ผลเกิดในทันทีแก่ญาติทั้งหลายที่เข้าถึงปิติวิสัยอย่างนี้จึงตรัสว่าก็พวกเปรตที่เป็นญาติเหล่านั้นพากันมาในที่นั้นประชุมพร้อมแล้วต่างก็อนุโมทนาโดยเคารพในข้าวน้ำเป็นอันมากเมื่อทรงแสดงอาการชมเชยปรารบญาติทั้งหลายของเปรตเหล่านั้นที่สวยผลแห่งกุศลกรรม อันบังเกิดเพราะอาศัยพวกญาติอีกจึงตรัส ก, กึ่งหลังแห่งคาถาที่ห้าว่าจิรังชีวันตุและกึ่งต้นแห่งคาถาที่หกว่าอัมหากันจะกตาปูชากึ่งหลังและกึ่งต้นแห่งคาถาเหล่านั้นมีความว่าบทว่าจิรังชีวันตุได้แก่มีชีวิตอยู่นานๆ น, นมีอายุยืนบทว่าโนยาตี แปลว่าญาติทั้งหลายของพวกเราบวว่าเสยังเหตุได้แก่เพราะอาศัยญาติเหล่าใดเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดบวว่าละพามหาเสแปลว่าได้หมู่เรตกล่าวอ้างสมบัติที่ตนได้ในขณะนั้นจริงอยู่ทักษินาย่อมสำเร็จผล คือให้เกิดผลในขณะนั้นได้ก็ด้วยองค์สามคือด้วยการอนุโมทนาด้วยตนเองของเปรตทั้งหลายหนึ่งด้วยการอุทิศของทายกทั้งหลายหนึ่งด้วยการถึงพร้อมแห่งทักษิณยญบุคคลหนึ่งบรรดาองค์ทั้งสามนั้นทายกทั้งหลายเป็นเหตุพิเศษด้วยเหตุนั้นเปรตทั้งหลายจึงกล่าวว่าเยสังเฮตุและพามหาเส ย่อมได้เพราะเหตุแห่งญาติที่เป็นทายกเหล่าใดบทว่าอัมหากันจะกะตาปูชาความว่าเพราะญาติทั้งหลายที่อุทิศทานนี้อย่างนี้ว่าขอทานนี้จงมีแก่ญาติทั้งหลายของเราดังนี้ชื่อว่าทําการบูชาพวกเราแล้วทายากาจะอนิพพลาความว่า กรรมที่สำเร็จมาแต่การบริจาคอันทายกทําแล้วในสันดานใดทายกทั้งหลายชื่อว่าไม่ไร้ผลก็เพราะกรรมนั้นให้ผลในสันดานนั้นเท่านั้นในข้อนี้ผู้ทักทวงกล่าวว่าญาติทั้งหลายที่เข้าถึงปิติวิสัยได้เท่านั้นหรือหรือว่าแม้คนอื่นๆก็ได้ขอชี้แจงดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ผูพรามชื่อชานุสโนัโสนิทูลถามแล้วก็ส่งพยากรณ์ข้อนี้ไว้ดังนี้ว่าในข้อนี้เราจะพึงกล่าวคำอะไรสมจริงดังที่พระสังคีติกาจาร์กล่าวไว้ดังนี้ว่าชานุสัโสนิพรามทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าชื่อว่าพรามย่อมให้ทานย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้จะสำเร็จผลแก่เปรดทั้งหลาย ที่เป็นญาติสาโลห OH ิตเปรตทั้งหลายที่เป็นญาติสาโลห OH ิตจะบริโภคทานนี้แค่แต่ท่านพระโคโดมทานนั้นจะสําเร็จผลแก่เปรตทั้งหลายที่เป็นญาติสาโลห OH ิตบ้างไหมเปรตทั้งหลายที่เป็นญาติสาโลห OH ิตจะบริโภคทานนั้นได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์จะสําเร็จผลในที่เป็นฐานะไม่สําเร็จผล ในที่เป็นอัถฐานะชานุสัตโธนิพรามทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมที่อย่างไรเป็นฐานะที่อย่างไรเป็นอัฏฐานะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์คนบางคนในโลกนี้ทำปานาติบาตเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปเขาย่อมเข้าถึงนรกอาหารอันใดของเหล่อสัตว์นรก เขาย่อมอย่างชีพให้เป็นไปในนรกนั้นด้วยอาหารอันนั้นเขาดำรงอยู่ได้ในนรกนั้นด้วยอาหารอันนั้นดูก่อนพรามทานนั้นย่อมแม่สําเร็จผลแกสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในนรกใดนรกนั้นแหละชื่อว่าอัฏฐานะดูก่อนพรามคนบางคนในโลกนี้ทําปานาติบาตเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปเขาเข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอาหารอันใดของเหล่าสัตว์ที่เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเขาย่อมย่างชีพให้เป็นไปในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นด้วยอาหารนั้นย่อมดำรงอยู่ได้ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นด้วยอาหารอันนั้นดูก่อนพรามทานนั้นย่อมไม่สำเร็จผลแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานใดกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นแล ชื่อว่าอัฏฐานะดูก่อนพราหมณ์คนบางคนในโลกนี้เว้นขาดจากปานาติบาเป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของหมู่เทวดาอาหารอันใดของหมู่เทวดาเขายัางชีพให้เป็นไปในเทวโลกนั้นด้วยอาหารอันนั้นเขาดำรงอยู่ได้ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารอันนั้น ดูก่อนพราหมณ์ฐานนั้นย่อมไม่สําเร็จผลแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่ในเทวโลกใดเทวโลกนี้แลก็ชื่อว่าอัถนะดูก่อนพราหมณ์คนบางคนในโลกนี้ทําปาณาติบาตเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไปเขาย่อมเข้าถึงปิติวิสัยคือเป็นเปรตอาหารอันใดของหมู่สัตว์ที่เข้าถึงปิติวิสัยเขาย่อมอย่างชีพ ให้เป็นไปในปิติวิสัยนั้นด้วยอาหารอัน so นั้นเขาดำรงอยู่ได้ในปิติวิสัยนั้นด้วยอาหารอันนั้นก็หรือว่าหมู่มิตรสหายหรือหมูญาติสาโลหิตมอบทานอันใดจากมนุษยโลกนี้ไปให้แก่เขาเขายอมย่างยิพให้เป็นไปในปิติวิสัยนั้นด้วยทานอันนั้นเขาดำรงอยู่ได้ในปิติวิสัยนั้นด้วยทานอันนั้นดูกนพราม ทนนั้นย่อมสำเร็จผลแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่ในปิติวิสัยใดปิติวิสัยนี้แหลชื่อว่าฐานะชานุสโสนิพราหมทุนถามว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมถ้าหากว่าเปตรผู้เป็นญาสาโลหิตนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าบริโภคทานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหม หมู่เปรตที่เป็นญาติสาโลหิตแม้เหล่าอื่นของเขาที่เข้าถึงฐานะ น, นั้นบริโภคฐานนั้นน่ะสิชานุสสะโสนิพรามทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมทั้งเปรตที่เป็นญาติสาโลหิตผู้นั้นก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้นทั้งหมู่เปรตที่เป็นญาติสาโลหิตแม้เหล่าอื่นของเขาก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโกคฐานนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานเช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้ก็แต่ว่าแม้ทายกผู้ให้ย่อมไม่ไร้ผลนะพราหมณ์พันานาตอนปลายของคาถาที่หกสัมพันธ์กับคาถาที่เจ็ด พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงชมพระราชาเพราะอาศัยสมบัติของหมู่พระประยุรญาตในชาติก่อนของพระเจ้ามกทรัตที่เข้าถึงปิติวิสัยจึงทรงแสดงว่าขอถวายพระพรพระประยุรญาตของมหาบพิตรเหล่านี้ดีใจพากันชมเชยในฐานะสัมปทาจึงตรัสว่าหมู่เปรตพากันชมว่าพวกเราได้สมบัติเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใด ขอญาตเหลา่ еты, านั้นของพวกเราจงมีชีวิตอยู่ยั่งยืนและญาตเหล่านั้นทาการบูชาพวกเราแล้วทั้งทายกทั้งหลายก็ไม่ไร้ผลดังนี้เมื่อทรงแสดงความไม่มีเหตุที่ให้ได้สมบัติอย่างอื่นมีกสิกรรมและโครักขักกรรมเป็นต้นของหมู่เปรตที่เข้าถึงปิติวิสัยเหล่านั้นและความที่เป็นหมู่เปรตเหล่านั้น ยังชีพให้เป็นไปด้วยทานที่ญาติให้จากมนุษยาโลกนี้จึงตรัสกึ่งหลังแห่งคถาที่หกว่านาหิตตัทธกสิอัตติและคทถาที่เจนี้ว่าวานิชาตาทีสีเป็นต้นในคถานั้นพันณ า, นาความดังนี้ขอถวายพระพ ร, พรก็ในปิติวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมที่หมู่เพรศเหล่านั้น จะอาศัยแล้วได้สมบัติบทว่าโครักเเคตานาะวิชติความว่าไม่ใช่ไม่มีกสิกรรมอย่างเดียวเท่านั้นหรอกในปิติวิสัยนั้นก็ไม่มีแม้แต่โคระค ก, กรรมที่หมู่เปรตเหล่านั้นจะอาศัยแล้วได้สมบัติบทว่าวา น, นิชาตาทีสีนัตถิความว่าไม่มีแม้การค้าขาย ที่จะเป็นเหตุให้ได้สมบัติของหมู่เปรตเหล่านั้นบทว่าอิรันเยนะกะยากยังความว่าในปฏิวิสนยนั้นไม่มีแม้แต่การซื้อขายด้วยเงินซึ่งจะพึงเป็นเหตุให้ได้สมบัติของหมู่เปรตเหล่านั้นบทว่าอิตโตทินเนนะยาเปนติเปตากาลตาตหิงความว่า แต่มูเปรตย่อมยังชีพให้เป็นไปยังอัตภาพให้ดำเนินไปด้วยทานที่หมูญาติหรือหมูมิตรสหายให้ไปจากมนุษยโลกนี้แต่อย่างเดียวบทว่าเปตาได้แก่หมู่สัตว์ที่เข้าถึงปิติวิสัยบทว่ากาลคตาได้แก่ไปตามเวลาตายของตนอธิบายว่าทำกาละทำมรณะ บวว่าตาหิงได้แก่ในปิติวิสัยนั้นพันนาสองคาถาคือคาถาที่แปดและคาถาที่เกพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสว่าผู้ทากาลกิริยาละไปแล้ว ย, ออย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในปิติวิสัยนั้นด้วยฐานที่หมู่ญาติมิสหายให้แล้ว จากมนุษยโลกนี้อย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อทรงประกาศความนั้นด้วยข้ออุปมาทั้งหลายจึงตรัสสองคาถานี้ว่าอุณเตอุทะกังวุฒังเป็นต้นคาถานั้นมีความว่าน้ำที่หมู่เมฆให้ตกลงบนที่ดอนบนบกบนภูมิภาคที่สูงย่อมไหลลงที่ลุ่มคือไหลไปถึงภูมิภาคที่ลุ่มต่าฉันใด ทานที่หมู่ญาติมิสหายให้จากมนุษยะโลกนี้ย่อมสำเร็จผลอธิบายว่าบังเกิดผลปรากฏผลแก่หมู่เปรตฉันนั้นเหมือนกันจริงอยู่เปตะโลกโลกเปรตชื่อว่าฐานะที่ตั้งแห่งความสำเร็จผลแห่งทานเหมือนที่ลุ่มเป็นฐานะที่ขังน้ำอไลมาเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า ดู ก, ก่อนพราหมณ์ฐานนั้นย่อมสำเร็จผลแก่สาส์ที่ตั้งอยู่ในปิติวิสัยใดปิติวิสัยนั้นแหละเป็นฐานะดังนี้เหมือนอย่างว่าน้ำที่ไหลมาจากชุมชนห้วยซอกเขาคลองใหญ่คลองซอยหนองบึงเป็นแม่น้ำใหญ่เต็มเข้าก็ทำให้สาครทะเลเต็มเปี่ยมชันใดฐานที่ญาติมิตรสหายให้ไปจากมนุษยาโลกนี้ ย่อมสำเร็จผลแก่มูเปรตตามในยะที่กล่าวมาก่อนแล้วแม้ฉันนั้นพันนนาคาถาที่สิบพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงประกาศความนี้ว่าผู้ทากาลากิริยาละเป็นแล้วย่อมยังอัตภาพให้เป็นไปในปิติวิสัยนั้นด้วยฐานที่ญาติมิตรสหาย ให้ไปจากมนุษย์ยาโลกนี้ดังนี้แล้วเมื่อทรงแสดงอีกว่าเพราะเหตุที่หมู่เปรตเหล่านั้นหวังเต็มที่ว่าพวกเราจะได้อะไรอะไรจากมนุษย์ยาโลกนี้แม้พากันมาถึงเรือนญาติแล้วก็ไม่สามารถจะร้องขอว่าขอท่านทั้งหลายโปรดให้ของชื่อนี้แก่พวกเราเถิดฉะนั้นคุณระบรุเมื่อระลึกถึงสิ่งที่ควรระลึกเหล่านั้น พึงให้ทักสินนาทานเพื่อหมู่เปรตเหล่านั้นจึงตรัสคาานิว่าอาธาสิเมเป็นต้นคถานั้นมีความว่ากุลบุตรเมื่อระลึกทุกอย่างอย่างนี้ว่าท่านได้ให้ทรัพย์หรือทันญาหารชื่อนี้แก่เราท่านได้ภาคเพียรด้วยตนเองได้กระทากิจชื่อนี้แก่เราคนโน้นเป็นญาติเพราะเกี่ยวเนื่องข้างมารดาหรือข้างบิดาของเรา คนโน้นเป็นมิตรเพราะสามารถช่วยเหลือโดยสินเนหาและคนโน้นเป็นเพื่อนเล่นฝุน่นด้วยกันของเราดังนี้พึงให้ทักษินนาพึงมอบทานให้แก่เขาผู้ล่วงลับไปแล้วมีปาฐะอื่นอีกว่าเปตานังทักินาทัตชาปาฐะนั้นมีความว่าชื่อว่าทัชาเพราะเป็นของที่พึงให้ ของที่พึงให้นั้นคืออะไรก็คือทักษินาเพื่อเขาผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยเหตุนั้นกุลบุตรเมื่อระลึกถึงท่านอธิบายว่าเมื่อนึกถึงกิจที่ท่านทรมาแต่ก่อนโดยนัยยะว่าท่านได้ให้สิ่งนี้แก่เราดังนี้เป็นต้นคานี้พึงทราบว่าเป็นธรรมาวิพัสติลงในอัฏฐประสงค์เป็นตติยาวิภัติ พันานาคาถาที่สิบเอ็ดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงอนุสารณวัตถุที่เป็นเหตุในการมอบให้ซึ่งทักษิณาเพื่อหมู่เปรตทั้งหลายอย่างนี้จึงตรัสว่าคุณบุตรเมื่อระลึกถึงกิจที่ท่านทำมาแต่ก่อนว่าท่านได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ทำกิจแก่เราได้เป็นญาติมิตรสหายของเราพึงให้ทักศิณาแก่ท่านผู้ลงหลับไปแล้ว เมื่อทรงแสดงอีกว่าชนเหล่าใดมีการร้องไห้และเศร้าโศกเป็นต้นเป็นเบื้องหน้าเพราะความตายของญาติดำรงอยู่ผู้ล่วงลับไปแล้วย่อมไม่ให้อะไรอะไรเพื่อประโยชน์แก่ชนเหล่านั้นการร้องไห้และการเศร้าโศกเป็นต้นนั้นของชนเหล่านั้นมีแต่ทาตัวให้เดือดร้อนอย่างเดียวเท่านั้นย่อมไม่อย่างประโยชน์อะไรอะไรให้สําเร็จแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วเลย จึงตรัสคถานี้ว่าณอิรุนนางวาเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ารุนนางได้แก่การร้องไห้ความร่ําไห้ความที่น้ําตาร่วงทรงแสดงความยากลาบากกายด้วยบทนี้บทว่าโสโ ก, โกได้แก่ความเศร้าความเศร้าโศกทรงแสดงความลําบากใจด้วยบทนี้บทว่า ยาวัญญาได้แก่หรือว่านอกจากร้องไห้เศร้าโศกใดบทว่าปริเทวนาได้แก่การพร่ำเพ้อการรำพันถึงคุณโดยในยะว่าโอลูคนเดียวที่รักที่พึงใจอยู่ไหนดังนี้เป็นตน้นของคนที่ถูกความเสื่อมเสียย่าดกระทบแล้วทรงแสดงความลำบากวาจาด้วยบทนี้ พันนาค า, าถาที่สิบสองพระผู้มีพระภาคเจ้ารั้นทรงแสดงการร้องไห้เป็นต้นไม่เป็นประโยชน์ว่าการรำพันอย่างอื่นแม้ทั้งหมดไม่มีเพื่อประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วที่แท้มีแต่ทำตัวให้เดือดร้อนอย่างเดียวเท่านั้นญาติทั้งหลายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นดังนี้แล้วเมื่อทรงแสดงความที่ทักษิณาซึ่งพระเจ้ามกทรัตทรงถวายแล้มีประโยชน์ จึงตรัสคถานี้ว่าอยัญจะโคทกินาดังนี้เป็นต้นคาถานั้นมีความว่าขอถวายพระพรทักษินานี้แลมหาบพิษถวายอุทิศหมู่พระประยุญรญาติของมหาบพิษในวันนี้เพราะเหตุที่พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกฉะนั้นทักษินานั้นพึงเป็นทักสินาที่ทรงตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์จึงสำเร็จผล ท่านอธิบายว่าสัมฤทธิผลลเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่เปตะชนสิ้นกาลนานก็บทว่าอุปกับปฏิได้แก่สำเร็จผลโดยฐานะคือสำมฤทธผลในขณะนั้นทันทีไม่นานเลยเหมือนอย่างว่าข้อที่แจมแจ้งในทันทีทันใดก็ตรัสว่า ข้อนั้นแจมแจ้งกับตถาคตโดยฐานะชั้นใดทักษิณ า, าที่สาเร็จผลในทันทีทันใดแม้ในที่นี้ก็ตรัสว่าสาเร็จผลโดยฐานะชั้นนั้นฐานะใดตรัสไว้ว่าดูก่อนพราหมณ์ฐานนั้นย่อมสาเร็จผลแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่ในปิติวิสัยใดปิติวิสัยนั้นแลเป็นฐานะดังนี้ ทักซินาที่สำเร็จผลในฐานะนั้นอันต่างโดยประเภทมีุ ป, ปิปาสิกเปรดวันตาสาเปรตปรทัตตูปชีวิเปรตและนิชามาตันฮิกเปรตเป็นต้นก็ตรัสว่าย่อมสำเร็จผลโดยฐานะเหมือนผู้ให้กะหาปณ ะ, ะในโลกเขาก็เรียกกันว่าผู้นั้นให้กะหาปณ ะ, ะคือเงินตราฉะนั้นแต่ในอัตถวิกับนี้ บวว่าอุปกับปฏิได้แก่ปรากฏผลท่านอธิบายว่าบังเกิดผลพันานาคาถาที่สิบสามพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงความที่ทักษิณาซึ่งพระราชาถวายแล้วมีประโยชน์อย่างนี้จึงตรัสว่าโคทักษิณานี้แลมหาบพิษถวายแล้ว เข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในพระสงค์ย่อมสำเร็จผลด้วยฐานะเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตตลอดกาลนานดังนี้เพราะเหตุที่ญาติธรรมอันพระราชาผู้ทรงถวายทักษิณานี้ทรงแสดงแล้วด้วยทรงทากิจที่หมู่ญาติควรทาแก่หมู่ญาติทรงทำให้ปรากฏแก่ชนเป็นอันมากหรือทรงยกเป็นตัวอย่างว่าญาติธรรม แม้ท่านทั้งหลายก็พึงบำเพ็ญด้วยการทำกิจที่หมู่ญาติพึงทำอย่างนั้นเหมือนกันไม่พึงทำตัวให้เดือดร้อนด้วยการร้องไห้เป็นต้นซึ่งไร้ประโยชน์การบูชาหมู่เปรตอันพระราชาผู้ทรงย่างหมู่เปรตเหล่านั้นให้ประสบทิพยพยสมบัติทรงทำแล้วอย่างโอฬารและกำลังของภิกษุทั้งหลายอันพระราชาผู้ทรงอังคาดเลี้ยงดูภิกษุสง มีพระพุทธเจ้าเป็นพระมุขให้อิ่มนำสำราญด้วยข้าวน้ำเป็นต้นชื่อว่าทรงเพิ่มให้แล้วและบุญมิใช่น้อยอันพระราชาทรงจากค่าเจตนามีคุณคือความอนุเคราะห์เป็นต้นเป็นบริวารให้เกิดก็ทรงประสบแล้วฉะนั้นเมื่อทรงยังพระราชาให้ทรงร่าเริงด้วยคุณตามเป็นจริงเหล่านี้อีกจึงทรงจบเทศนาด้วยพระคถานี้ว่า ญาติธรรมนี้นั้นเป็นอันทรงแสดงแล้วหนึ่งการบูชาเปตชนก็ทรงทำอย่างโอลานหนึ่งกำลังของภิกษุทั้งหลายก็ทรงเพิ่มให้แล้วหนึ่งบุญมิใช่น้อยพระองค์ก็ขวนขวายแล้วหนึ่งอีกในยะหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงพระราชาด้วยธรรมีกถาด้วยบทคถานี้ว่า โสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตความจริงการแสดงญาติธรรมนี้เองเป็นการชี้บ่อยๆในข้อนี้ทรงชักชวนด้วยบทคถานี้ว่าเปตานะปูชาจักตาอุลาราความจริงการสันเสริญว่าอุลาราก็เป็นการชักชวนด้วยการบูชาบ่อยๆในข้อนี้ ทรงให้อานหารด้วยบทคถานิว่าพลันจากพิกขูนมนุปปินนางความจริงการเพิ่มกําลังแก่ภิกษุทั้งหลายก็เป็นทานอย่างนี้อย่างหนึ่งในข้อนี้คําว่าพลานุปทานตาเป็นการปลุกให้อานหารด้วยการเพิ่มอุตสาหะแก่พระราชานั้นทรงให้เล่าเรื่องด้วยบทคถานิว่า ตามเหหีปุญยังปะสตังอนัปปะกังความจริงระบุถึงการประสบบุญนั่นเองพึงทราบว่าเป็นการให้เกิดความร่าเริงด้วยการพรรณนาคุณตามเป็นจริงแก่พระราชานั้นในข้อนี้จบเทศนาการบรรลุธรรมโดยมีสัตว์แปด0มนสี่พันซึ่งสลดใจ เพราะการพ น, นาโทษแห่งการเข้าถึงปิติวิสัยคือการเป็นเปรตแล้วตั้งความเพียรโดยแยกคายแม้วันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงติโรคุณทสูตรนี้นี่แหละแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการตรัสรู้ธรรมอย่างนั้นได้มีถึงเจ็ดวันด้วยประการชนี้ จบอัตถกาถาธิโรคุถสูตรแห่งอัตถกาถาคุทธกะปาถะชื่อปรมัตถโชติกา